2.8 ไม่ตัดสินใจขณะที่ยังโกรธอยู่วงเล็บเปิด23มีนาคม2551ในวงเล็บสองจุดจุดนาทีห้าวงเล็บปิดหลวงพ่อเคยเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งบอกมีพระเจ้าแผ่นดินนะท่านอุปถาก พ, พระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่พระปัจเจกอาศัยอยู่ในอุทยานวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินจะไปธุระที่อื่นก็สั่งคนเฝ้าสวนให้ดูแลพระปัจเจกทีนี้ดูแลอีท่าไหนไม่รู้เกิดพลาดพลั้งอุบัติเหตุ ในวงเล็บอุบัติเหตุนะพระปัจเจกตายแกก็หนีไปเลยพอพระเจ้าแผ่นดินกลับมารู้ว่าพระปัจเจกตายนะโมะโหมากเลยอยากจะเอาตัวมาฆ่าให้ได้แต่หาตัวไม่เจอเวลาผ่านไปหนึ่งปีคนเฝ้าสวนก็ส่งคนมาบอกว่าอยากจะขอมาชี้แจงพระเจ้าแผ่นดินบอกไม่ให้มาชี้แจงให้ไปก่อนพอหลายปีขอมาอีกก็ให้มาเลยมาพิจารณาดูเออมันอุบิเหต์จริงๆไม่ได้เจตนา เลยไม่ได้ลงโทษอะไรนะคนก็ไปถามพระเจ้าแผ่นดินว่าทำไมเขาขอมาทีแรกไม่ยอมให้เขาเข้ามาชี้แจงท่านบอกท่านกำลังโกรธอยู่ท่านจะมีอคติในการฟังฉะนั้นรอให้หายโกรธก่อนแล้วค่อยพิจารณาเราก็เอาอย่างนั้นนะสมมติว่าเราเป็นผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆตอนโกรธอยู่อย่าเพิ่งตัดสิน